ไปอีกไม่ได้เป็นอัปนาเพราะว่ามันเกินจำเป็นนะเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบแบบพลมแต่ความสงบเพื่อที่จะเห็นความจริงก็พอละเห็นความจริงของอะไรเห็นความจริงของรูปรูปอย่างยารูยุอย่างกลางยุบอย่างเห็นความจริงของรูปคืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็นเมื่อเห็นว่ามันเป็น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 แล้วคอยดูไปเรื่อยๆไอ้ตัวคอยดูไปเรื่อยๆนี่เองถ้าเรียกว่ามักนะอะไรเกิดขึ้นก็นดูการที่เราคอยดูไปเรื่อยๆดูทั้งรูป ก, ก็เป็นสมถะดูน้ำก็เป็นวิปัสสนาไอ้ตัวเฝ้าดูอย่างเดียวเนี้ยเป็นได้ทั้งสมถะวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะในสิ่งที่เราดูนั้นมันมีทั้งรูปและทั้งนามในช่วงไหนนามไม่มีปัญหาเราก็ไปดูรูป ในช่วงไหนน้ำมีปัญหาแล้วก็ไปดูน้ำแต่รูปนี้ไม่ต้องพูดถึงมันะรูปนี้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วแต่ละเวลาปัญหาของรูปคืออะไรจูวเนี่ยรูปคือคนอยู่ไม่ได้มันต้องขยับมันปวดมันเมื่อยยังไม่ตรงโจปัญหาของรูปคืออะไรก็บอกข้อสอบไปแล้วยังตอบไม่ได้เรื่องซีนนปัญหาของรูปคืออะไรได้สามสิบเปอเซ็น นอกจากไม่เที่ยงแล้วไปในจเออนั่นๆปัญหาของลูกมีแค่นั้นอนิจังลูกขันตตาสัจธรรมของมันน่ะเราไปอย่างนั้นมันเป็นนิจังลูกขันตตาตลอดเวลาลูกตามได้อลูกก็เป็นนะอย่างความสงบเนี่ยมันก็เป็นนิจังลูกขันตตาเพราะเดี๋ยวมันก็ไม่สงบมันจะสงบตลอดกลับตลอดกันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านก็บอกมาให้ไปเอามันเพราะมันไม่เที่ยง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 เอาอะไรไปดูก็เอานามแหละนะแต่ทีนี้ถ้ารูปนะั้นยังติดเข้ามาในนามอีกน้ํายังไม่บริสุทธิ์นามก็ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ก็เรียกว่านา ม, มารูปแต่เมื่อไรมีนามเป็นน้ํามล้วนๆมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่ถ้านามนั้นยังไม่คงที่ก็ยังเปลี่ยนแปลงเนะี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นรูปเรื่องเป็นนามพญายันเป็นนามสติสติสมาธิปัญญาเป็นรูปเลือง เ, เป็นนา อ่าเป็นนามแต่ถ้าว่าเราคิดอย่างมีสตินี่ได้ไหมไ ด, ด้ถ้าคิดนี่มันก็เป็นปุงแต่งมันก็เป็นลูกอ่ะนเป็นนามาลูกอะคิดเป็นเจตสิกเนีมันคิดมันเลอเ่าเอามคคิดถึงแม่พิมพ์อย่างเงี้ยเป็นนามเป็นลูกเป็นลูกเลยอ่านเป็นนามาลูกแล้วใช่ไหม <c oughs> นั่นคือความคิดความคิดจึงเป็นได้ทั้งรูปทั้งนา